กับพี่น้องกับสามีภรรยากับทุกคนที่เกี่ยวข้องอันนี้อันนี้เราต้องคิดไว้อีกสักวันหนึ่งเราจะต้องพัดผาคไม่รู้ว่าวันไหนละ่ะอาจจะเร็วหรือช้าแต่จะต้องพัดผาคแน่อันนี้เราจะต้องพัดผาคจากของรักของเจริญใจจากนั้นเราก็เมื่อพัดผาคไปแล้วเราจะต้องได้รับกรรมคือการกระทาของเราถ้าเราทากรรมดีเราก็จะได้รับ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 เกิดขึ้นมาแล้วจะได้เรียนได้ศึกษาวิชาความรู้เสียงเหล่านี้เมื่อเรามีบุญเราไปเลือกเกิดได้นี่อันนี้แหละเมื่อเราทํากรรมอันไหนไว้เราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นเพราะฉะนั้นในเมื่อต่ํากว่านั้นลงไปเอาละไปเป็นเปรตอะไรตัถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวเอาไว้นะไปเป็นเกิดไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไรฉัน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 อออันไหนที่สุดออกิเลสมัน ม, มีไม่มีความปรานีสำหรับเรากิเลสโลภโกรดลงเพราะนั้นต้องชอาระชาระต้องเห็นโทษกิเลสของตอนเองกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะจะทำยังไงจึงจะถอดถอนกิเลสภายในใจของเราให้ออกได้ให้หมดนี่แหละอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราคณะตถาญาติโยม ทุกคนนอะอันนี้เป็นการกล่าวย้ำเตือนว่ า, เ, าเรามีความแก่เจ็บตายพัดพลากอา่าแล้วก็ได้รับผลกรรมที่ตนได้กระทาไว้ทํากรรมดีเราเราจะต้องกรรมดีต้องส่งเป็นสู่ความสุขแต่ละทําทกรรมชั่วกรรมชั่วก็หาส่งมาหาความทุกข์สรุปแล้วก็คืออย่างที่คุณแม่แก้วพูดนั่นแหละ